จเจริญอาณาปานาสติเป็นเหตุให้สติปฐานสี่โคชงเจ็ดวิชาและวิมุตติบริบูรณ์พิคุทั้งหลายทำอันเอกนั้นมีอยู่ซึ่งเมื่อบุคคลจเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำทำทั้งสี่ให้บริบูรณ์ครั้นทำทั้งสี่นั้นอันบุคคลจเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำทมทั้งเจ็ดให้บริบูรณ์ ครั้นทมทั้งเจนั้นอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำทมทั้งสองให้บริบูรณ์ได้พิกุทั้งหลายอานาปานสติสมาธินี้แลเป็นธรรมอันเอกซึ่งเมื่อบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำสติปฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์สติปฐานทั้งสอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำโพชฌงทั้งเจ ให้บริบูรณ์โพชฌงค์ทั้งเจ็ดอันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมทําวิชาและวิมุติให้บริบูรณ์ได้ภิกขุทั้งหลายก็อาณาปานาสติอันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วอย่างไรเล่าจึงทําสติปฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์ได้ภิขุทั้งหลายสมัยใดพิกขุเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัด ว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู <omatic> ้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับหายใจออกพิกุทังหลายสมัยนั้นพิกุนั้นชื่อว่าเป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียเพรเผากิเลส มีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้พิกุทั้งหลายเราย่อมกล่าวลมหายใจเข้าและลมหายใจออกว่าเป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายพิกุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิกุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียเพรเผากิเลส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 เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งส yup. ุขหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออกย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู ЗЫКА ้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหายใจออกย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รำงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รำงับหายใจออกพิขุทั้งหลายสมัยนั้นพิขุนั้นชื่อว่าเป็นผู้เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติ นำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้พิกุทั้งหลายเราย่อมกล่าวการทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออกว่าเป็นเวทนาอันหนึ่งอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายพิกุทังหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิกุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำ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 ว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกพิกุทั้งหลายสมัยนั้นพิกุนั้นชื่อว่าเป็นผู้เห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้พิกุทั้งหลายเราไม่กล่าวอาณาปานสติว่าเป็นสิ่งที่มีได้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 พิขุทั้งหลายสมัยนั้นพิขุนั้นชื่อว่าเป็นผู้เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้พิขุทั้งหลายพิขุนั้นเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะเป็นอย่างดีแล้ว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 อาณาปานาสติอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมทำสติประฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์ได้ภิกุทั้งหลายก็สติประฐานทั้งสี่อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างไรเล่าจึงทำโพชฌงทั้งเจ็ให้บริบูรณ์ได้ภิกุทั้งหลายสมัยใดภิกขุ เป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำก็ดีเป็นผู้เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำก็ดีเป็นผู้เห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำก็ดีเป็นผู้เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำก็ดีมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้สมัยนั้น สติที่พิกขุเข้าไปตั้งไว้แล้วก็เป็นธรรมชาติไม่ลืมหลงพิกขุทั้งหลายสมัยใดสติของพิกขุผู้เข้าไปตั้งไว้แล้วเป็นธรรมชาติไม่ลืมหลงสมัยนั้นสติสัมโพธชงก็เป็นอันว่าพิกขุนั้นปรารลบแล้วสมัยนั้นพิกขุชื่อว่าย่อมเจริญสติสัมโพธชง สมัยนั้นสติสัมโพชงของภิกขุนั้นชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญพิคุนั้นเมื่อเป็นผู้มีสติเช่นนั้นอยู่ชื่อว่าย่อมทำการเลือกย่อมทำการเฟ้นย่อมทำการใคร่ครวญซึ่งทำนั้นด้วยปัญญาภิกขุทั้งหลายสมัยใดภิกขุเป็นผู้มีสติเช่นนั้นอยู่ทำการเลือกเฟ้น ไร้ครวรทำนั้นอยู่ด้วยปัญญาสมัยนั้นธรรมวิจยะสัมโพชงก็เป็นอันว่าพิกขุนั้นปรารพบแล้วสมัยนั้นภิคุชื่อว่าย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชงสมัยนั้นธรรมวิจยะสัมโพชงของพิขุชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญพิขุนั้นเมื่อเลือกเฟนไร้ครวญอยู่ ซึ่งทำนั้นด้วยปัญญาความเพียรอันไม่ย่อหย่อนชื่อว่าเป็นธรรมอันภิขุนั้นปรารบแล้วพิขุทั้งหลายสมัยใดความเพียรอันไม่ย่อหย่อนอันภิขุผู้เลือกเฟนใครครวญในธรรมนั้นด้วยปัญญาสมัยนั้นวิริยะสมโพธชงก็เป็นอันว่าพิกขุนั้นปรารบแล้วสมัยนั้นพิกขุชื่อว่าย่อมเจริญวิริยะสมโพชชง สมัยนั้นวิริยะสัมโพชงของพิขุชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญพิขุนั้นเมื่อมีความเพียรอันปรารบแล้วปีติอันเป็นนิรามิตก็เกิดขึ้นพิกุทั้งหลายสมัยใดปีติอันเป็นนิรามิตเกิดขึ้นแก่พิขุผู้มีความเพียรอันปรารบแล้วสมัยนั้นปีติสัมโพชง ก็เป็นอันว่าพิขุนั้นปราลบแล้วสมัยนั้นพิขุชื่อว่าย่อมเจริญปีติสัมโพชชงสมัยนั้นปีติสัมโพชงของภิคุชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญพิขุนั้นเมื่อมีใจประกอบด้วยปีติแม้กายก็รำงับแม้จิตก็รำงับพิขุทั้งหลายสมัยใดทั้งกายและทั้งจิตของภิขุ ผู้มีใจประกอบด้วยปีติย่อมรำงับสมัยนั้นปัตสัทธิสัมโพษชงก็เป็นอันว่าภิกขุนั้นปรารบแล้วสมัยนั้นภิกขุชื่อว่าย่อมเจริญปัตสัทธิสัมโพษชงสมัยนั้นปัตสัต t ิสัมโพษชงของภิกขุชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญพิขุนั้นเมื่อมีกายอันรำงับแล้วมีความสุขอยู่ จิตย่อมตั้งมัน่นพิขุทั้งหลายสมัยใดจิตของพิขุผู้มีกายอันรำงับแล้วมีความสุขอยู่ย่อมตั้งมัน่นสมัยนั้นสมาธิสมโพธชงก็เป็นอันว่าภิขุนั้นปราลบแล้วสมัยนั้นพิขุชื่อว่าย่อมเจริญสมาธิสมโพธชงสมัยนั้นสมาธิสมโพชชงของพิขุ ชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญพิกขุนั้นย่อมเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีพิกขุทั้งหลายสมัยใดพิกขุเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีสมัยนั้นอุเบกขาสัมโพชงก็เป็นอันว่าพิขุนั้นปรารบแล้วสมัยนั้น พิกุชื่อว่าย่อมเจริญอุเบกขาสมโพชชงสมัยนั้นอุเบกขาสมโพชชงของพิกุชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญพิกุทั้งหลายสติปัฐานทั้งสี่อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมทำโพชชงทั้งเจ็ดให้บริบูรณ์ได้พิกุทั้งหลายโพธชงทั้งเจ็ดอันบุคคลเจริญแล้ว ทำให้มากแล้วอย่างไรเล่าจึงจะทำวิชาและวิมุตให้บริบูรณ์ได้ภิขุทั้งหลายภิขุในกรณีนี้ย่อมเจริญสติสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอันอาศัยวิราคะอันอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อโวศกะย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอันอาศัยวิราคะ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 อันอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อวัฏสกฆะพิคุทั้งหลายโพชฌงทั้งเจ็ดอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมทำวิชาและวิมุตให้บริบูรณ์ได้ดังนี้